การทำตามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตามไปอย่างที่เราไม่รู้ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะปฏิญพานไปนานแล้วก็ตามแต่ว่าแบบแผนคําสอนตัวอย่างของบุคคลก็ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรากา็คิดว่าไม่ผิดทางนะพอมีสิ่งที่สืบทอดกันมาถึงแม้จะร่วงเวลาเป็นพัน 2, ปีแล้วก็ตาม ดังนั้นในช่วงเย็นเนี่ยเริ่มจัดทำนี้ไปนะากนี้ไปยมสมปรารถนาปเป็นไงบ้างวันนี้ดูทีละนาทีหรือทีละชั่วโมงหรือทีละช่วงเช็คตัวเองอห่างไปไม่ทีละช่วงนั่ น, นเลยวันนี้ วันนี้ง่วงน้อยลงหรือเปล่าแล้วความคิดปรุงแต่งเป็นยังไงคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนมีไห ม, มแต่ไปนานแล้วใช่ไหมค่อยกลับหรือเปล่ แ, แ, <laughs> แล้วตัวรู้สึกตัวนี่เข้าใจหรือยังมันเป็นลักษณะอย่างไร เอาอะไรเป็นตัวดึงความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เ ม, มื่อก่อนเคยมีไหมหรือว่ามันเพิ่งมีความรู้สึกที่ว่ารู้จักว่าความคิดมันไปแล้วก็ดึงความคิดกับความรู้สึกตัวเนี้ยเมืม่อก่อนก็มีแล้วทาเคยทำมาก่อนไหมแบบนี้ อ๋อเคยฝึกที่วัดข้างหนึง่งแล้วเอาไปทําต่อที่บ้านไม่ไทมําเลยแต่ว่าวันนี้จําได้ไมความคิดความคิดเกิดขึ้นกี่ครั้งเยอะนะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นกี่ครั้งบ่อยอคือนะคือก็อไปบ่อยก็ไปบ่อยแล้วก็รู้สึกบ่อยตัวที่เมื่อไม่มีความคิดรู้สึกไหม ระหว่างระหว่างความคิดที่มันเกิดกับความรู้สึกช่วงไหนมันยาวกว่าความรู้สึกความรู้สึกมันยาวกว่าใช่ไหมความรู้สึกตัวนี้เป็นที่ไม่มีไม่มีความคิดเลยนะยาวกว่าตัมงปฏิความรู้สึกอย่างนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหในชีวิตประจำวันของเราแต่เราเราไม่ค่อยได้ดูเราไม่ค่อยรู้จักใช่ไมม พราะฉะนตัวคิดกับตัวไม่คิดเนี่ยเทีเปรียบเทียบกันมาแล้วเนี่ยชั่วโมงต่อชั่วโมงเนี่ยอันไหนมีมากกว่าในภายในหนึ่งชั่วโมงภาวะที่มันไม่คิดไม่ปรุงแต่งกับภาวะที่คิดปรุงแต่งเนี่ยอันไหนมีมากกว่าปรุงแต่ ง, ง, ตงมีมากกว่าปรุงแต่งแบบไห น, นแบบนิวรนหรือเป็นแบบวิตุวิจารณ์หรือเป็นธรรมารลมแยกออกไหมว่าความคิดที่มาเป็นแบบไหนไปตามความคิดเนี่ย ก็เป็นนิวรใช่อ่าต้องต้องแยกให้ออกด้วยว่าความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยหยาบกลางหรือละเอียดถ้ามันหยาบเราเรียกว่านิวรณนถ้ากลางเรีกว่าวิตุวิจาร์ถ้าละเอียดลงไปเขาเรียกว่าธรรมารมตัวนี้ให้ชัดนะไม่ใช่ว่าคิดลืกเปลื่อยไปเราไม่รู้ว่าความคิดแบบไหนอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเราเราจะอ่านบทเรียนไม่ออกเวลาปฏิบัติเราจะไม่ก้าวหน้าความคิด ไม่ใช่ไม่ให้มันเกิดแต่มันเกิดได้ให้รู้จักว่ามันหยากมันกลางหรือมันละเอียดนะแต่แน่นอนว่าบางช่วงมันก็ไม่มีใช่ไหมความคิดแต่ความจริงมันความคิดมันก็เกิดทั้งสามระดับนั่นแหละบางครั้งมันก็หยากบางครั้งก็อย่างกลางบางครั้งก็อย่างละเอียดใช่ไหมบางครั้งก็ไม่มีเลยใช่ไหมเออให้ให้เห็นให้เห็นให้ชัดว่าในช่วงที่เราเข้าไปอยู่ในความคิด เช่นเดีววันนี้ได้พูดคุยกันไหมในช่วงปฏิบัติตั้งแต่ได้พูดคุยกันบ้างไหมนในช่วงที่เราคุยนั้นเป็นความคิดหรือเป็นอารมณ์เป็น ค, ความคิดเราตามมันไปหรือว่าเรารู้มันเราตามมันไปยาวไหมไม่ไม่ยาวแต่ว่ากลับมาที่<ม>อาจารย์สุทธิวัฒน์พูดวันก่อนที่เราปฏิบัติตมาทั้งวันแค่ไปพูดกันไม่กี่คํามันก็แทบจะหายไปหมดเลย เนั้นเราึงบอกว่าเออไม่เขอร้องว่าในช่วงสามสี่วันจําเป็นยังไงก็ให้พูดกันน้อยที่สุดเพราะเสียดายว่าเราสั่งสมที่ดีๆมาทั้งวันเขาพูดกันมาอีกคำมันหลุดหมดเลยอันนี้ต้องต้องราว่าเพราะพลังในการพูดเนี่ย ถ, ถ้าเป็นน้ําไหลนะเอยๆนะถ้าพูดกันว่ามันตกเหีวอย่างนี้เลย น, ะน้ำเพราะเป็นความเคยชินที่มันตกรนะ่องอ่ะเพราะนั้นพี่ว่าพยายามถ้าจะพูดก็ได้แต่ว่าให้มีสติ มีสติแล้วพูดเท่าที่จําเป็นไม่ใช่ไม่ให้พูดเลยนะพูดเท่าที่จําเป็นเส่นจะถามว่าเออไอคอนรู้สึกของฉันเป็นอย่างเนี้ยจะเป็นอย่างไรรู้สึกยังไงความคิดเป็นอย่างเี้จะแก้ไขอันนี้อันนี้เขาเรียก ว, ว่าเป็นพูดในสิ่งที่มีอยู่อันนี้ไม่เสียสติถ้าะพูดเกี่ยวข้องในสิ่งที่กำลังเกิดอันนี้เขาเรียก ว, ว่าไม่เป็นสตินะฮะแต่เราพูดนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวขอ้ อ, องอารมณ์ปัจจุบันเลยอันนั้นจะทําให้เสียสติเพราะมันไปในความคิด อั น, น, นตรายนะอย่าไปเสียเวลากันนั้นคือหมายเขาว่านอกเวลาปฏิบัติพูดอะไรก็พูดไปแต่ว่าในเวลาปฏิบัติพยายามอย่าให้มีตรงนั้นหรือมีให้น้อยที่สุดเผื่อว่าสิ่งที่เราสั่งสมมาดีๆเนี่ยมันหายแวบไปะเลยเ <class ic> <c oughs> <as ic> <c oughs> สียดายที่ที่อาจารย์สุดายว่าเขาทลางมันไม่ทั้งแสนเก่าพพูดไปทีแปดพูดไปแปดหมื่นเะก่าอย่เงนะก็ไดเสียดายอันนี้สมมุติว่าให้เป็นเป็น เป็นในสิ่งที่เห็นได้สัมผัสได้นะแต่มันก็ไม่เป็นเท่านั้นนะมันก็เหลืออยู่นั่นแหละแต่ว่าให้มันชัดเจนเอาไว้เรามาทำในสิ่งที่มีไม่ใช่ทำในสิ่งที่ไม่มีนะเรามาทำสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ได้สิ่งที่มันผิวเผินเลื่อนลอยใช่ไหมสัมผัสได้ไม่เวลาเดินสัมผัสได้ไห ม, ม, ดไดไหมฝึกให้เดินช้าลงทาอะไรช้าลง ให้สู้อย่างให้ดาวลงมันจะเกิดการผ่อนคลายอะไรีแล ะ, และตัวนั้นความรู้สึกตัวมันจะชัด อ, อาอยุวสุวรรณาวันนี้เป็นไงบ้างอารมณ์วันนี้มนไม่ค่อยสนนะสนุกอยู่กับความรู้สึกอย่างนีนนเ้เริ่ม ส, สนุ ก, กสุกชื่นขึ้นมาชัดเจนขึ้นคือเราให้สื่อความหมายกับตัวเองให้ได้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรชัดชัดนั่นเขาเรียกว่าการนา รู้จักตัวเองเพราะเราเรามีตัวมานนะแะแต่เราไม่เคยรู้จักเขาเลยใช่ไหมเพราะเรามักจะไปอยู่กันในความคิดหมดดังนั้นการมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปทําแล้วให้สื่อกับความหมายของตัวเองรู้สึกสดชื่นทันทีเลยใช่ไหมหมาบอกแล้วว่า หลังสามโมงมาถึงหกโมงมนมีความหมายมากแต่หนึ่งมงถึงสามโมงน่ะทำบ้างเล่นบ้างไม่เป็นไรเพราะตรงนั้นนิวรมันเข้าถ้าเอาจริงเอาจังเปืนไปมันก็จะง่วงมันก็จะเมือเพราะฉะนั้นหนึ่งมงถึงสามโมงมาบอกว่ า, วานิวรมันเข้าเนี่ยทําบ้างเล่นบ้างรู้สึกบ้างไม่เป็นไรแต่หลังสามโมงมาถึงหกโมงเป็นช่วงเวลาที่นิวรมันอ่อนตัวเพราะนั้นต้องต้องต้องมาศึกษาอย่างดีเลย แต่ถ้าหากาเราลุ้เนี่ยหลังสามโมงมา6กมาโมงเราไม่สนใจเลยทังนี้เราเสียดายโอกาสเพราะเป็นช่วงที่เราศึกษาได้ดีมากช่วงนั้นจิตมันจะเบาเนพรนิวรมันมอ่อนตัวแต่ว่าเราจะถูกนิวรณ์ฟัดเวียงตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมงเราจะค่อนข้างจะคุนไหวพอสมควรแต่เราไม่ต้องไปอคิสไม่ต้องไปสู้เราศึกษาดูเฉยเฉมันดูแต่หลังสามโมงมันค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ตัวเองรู้สึกบีบนิ้วเป็นรู้สึกนวดตัวเองเป็น วิชาเล่นจับรู้สึกเย็ดเย็ดดึงเท่งตรงไหนศึกษาลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกไปเราจะเห็นตัวเองลึกเข้าไปลึกเข้าไปตามลาดับใช่ไหมแล้วก็จี๋ของเราก็จะเบิกบานเหมือนกับเราลดน้ําต้นไม้ถ้าหากว่าน้ํามันไม่ซึมเลยต้นไม้มันไม่สดใช่ไหมแต่พอนิวร์มันนิวรมันอ่อนตัวเนี่ยนั่นหมายเขาว่าถ้าเปียนเีเมือนดินก็ดินเริ่มเย็นแล้ว แต่มีนิวรณอยู่ดินตรงนั้นมันมันร้อนมันแข็งลดน้ํามันไม่ค่อยลงแต่เริ่มอร์มอ่นตัวเหมือนดินตัวนั้นมันเริ่มเย็นแล้วก็ลดน้ําำลงจะซึมกายใจเราก็เหมือนกันถ้าหลังจากนิวรณ์มันลดตัวเนี่ยการกลลําหนดรู้สื่อความหมายกับตัวเองจะชัดเจนขึ้นตัวนี้จิตแล้วก็จะสดชื่นขึ้นมาอีกคข้างหนึง่งจะทำตรงนี้บ่อยๆความผิดเป็นยังไงบ้างปุงแต่งวันนี้น้อยมากน้อยมากาก็เป็นแต่ว่ารู้ทัน น้อยกว่าความความคิดแบบๆๆหยาบๆก็หายไปแต่อย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่อย่างกลางหมายถึงวิตรวิจารมีอยู่แต่ว่าอย่างละเอียดหมายถึงธรรมาลูปที่มันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปนี่อย่างละเอียดอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่อย่างที่หนึ่งที่สองนี่ต้องระวังอย่างที่หนึ่งหมายถึงนิวรณ์ที่หยาบๆความคิดกระโดดลงช่วงเชิงเดี๋ยวเรื่อ ง, องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องอันนี้ผู้หยาบนะ ก็เขาพ่งนี้ก็พยายามกวาดตัวก็พยายามนะเอวมลิสาไปเก็บอารมณ์อยู่ที่เส้นหลุยเป็นไงบ้างได้ระดมเดี๋ยวไหมเช่นวว เ่ลาวมันฝูกตื้นนานีม่ท่านเกิดที่ความที่แรยากไปผู้จัดการแล้วก็เต้องมีอาการเป็นราพอเราดูในจริงก็หายไปถ้าเราเข้าไปเล่นกับมันก็พาเดไปติต่อไปนานปยาวแตตนนี้ก็จับได้ว่าตรนี้ะเป็นอแลก้วก็จิตก็ไม่ไปคล้องเกี่ยวกับ ว่ามันก็ก็การปูแต่งขาดช่วงไปนานแต่ความรู้สึกตัวชัดเจนกว่าเดิมมากขึ้น ว่าในช่วงของความรู้สึกตัวที่เป็นเวทนากับความรู้สึกตัวที่เป็นสตินะี่แยกออกกันชัดเลยอย่างว่าอันไหนเป็นเวทนานจะเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นสติแต่เวทนามีอยู่แต่เรามีสติคอยรู้อยู่มันก็จิตก็ไม่เข้าไปเสือเวทนา ที่นีเวทนาตรงนี้เราก็สามารถที่จะทนมันได้นานขึ้นไะในในใ น, นก็อีกคืนแล้วก็ไปคล้องของมั น, น, อมอนคือถ้าจะพี่ก็ได้ไหจะคือไม่ไปสวยอลรมนี้ว่ารู้ว่าอันนี้มันเป็นเวทนานะมันก็ไม่ไ้อง ม, ม, มันก็อารมณ์อะไรเกิดอยู่ในอิริบทเดียวนานกนา น, านได้นานขึ้นได้นานขึ้นอันนี้คือการ ให้ศึกษาละเอียดลงไปว่าในตัวรู้สึกที่เป็นเวทนาเนี่ยมันที่เข้ามาเสวยทางกายก็คือสุขทุกข์แเฉยๆแต่ถ้าหากว่าสติเราอ่อนตัวสุขทุกข์นี่ก็จะไปบีบจิตไม่บีบจิตจิตก็จะทําให้เราเกิดการเคลื่อนไหวที่ขัดสติแต่พอเราแยกรูปแยกนามออกแยกสติออกมาเราเห็นเวทนามันบีบมันขั้นมันอะไรเราก็ดูมันเฉยๆมันไม่ถึงจิตโดยสติเรื่อนี้ก็เป็นตัวกันการ คําว่าวิปัสณูที่เอ่ยถึงนี่หมายถึงว่าตัววิปัสนาคือปัญญาเกิดจากเห็นของจริงเรียกว่าวิปัสนาวิปัสณูหมายถึงว่าปัญญาเห็นของจริงแต่ว่าไปปรุงแต่งของจริงให้เกินความจริงเรียกว่าวิปัสณูเข้าใจไหมเช่นว่าเราเห็นอนิจจังทุกขังนาตาเนีเห็นชัดถ้ามันเป็นวิปัสนาก็เห็นแล้วก็จบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวิปัสณูไปขยายว่า อธิบายต่อไปอีกอันนี้จังไปยี่ทุกขงังไปยี่อนัตต า, ยายเพิ่มมือเพิ่มมือจากของจริงนั่นเรียกว่าวิปัสสนูซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกันแต่เราไม่รู้นนี้ตัวตัวหนึ่งต้องระวังนะคืออย่าไปขยายมากกว่าความเป็นจริงนะแต่ว่าความเป็นจริงมีเท่าไหร่รู้เท่านั้นดูเท่านั้นจบแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเพราะอะไรถ้าเราไปมัวขยายของเกินของจริงมันจะไม่เห็นในขนาดต่อไปเพราะอันนี้จังทุกขังการมันเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้ามัวไปติด ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเหมือนกับเราลงไปเล่นน้ําถูกน้ําพัดไหลไปนู่นไอ้น้ําที่จะไหลมาันนี้ก็เมืเราก็ไม่ไม่ได้จังดังไม่อยู่เราถูกกระแสน้ํามันพัดไปอันนี้เหมือนกันถ้าเกิดเราเห็นของจริงเนี่ยน้ำไหลถ้าลงไปเล่นกับมันปั๊บมันก็พัดเราไปแต่เราไม่เล่นกับมันเราก็เห็นดูมันเท่านั้นเองเราก็เห็นน้ำไหลอยู่มันก็เรียกว่าเราไม่ถูกกระแสของความคิดพาไปก็เป็นวิปัสนา เห็นว่ามันอ น, นิจจังทุกครั้งอนิจจามันฟลว์มันไหลตลอดแล้วก็เห็นกรแสออกมาเท่านั้นเองนี่เรียกว่าวิปัสนาแต่ถ้าเราโหลดไปเรื่องกแสขงความอ น, นิจจังทุกขานันตาปับ๊บมันก็ดึงออไปเรียกว่าเป็นวิปัสนาก็เป็นอุปสรรคอมยมัมนคิมเป็นยงไงบ้างไปอยู่เท่นั้นวันนี้อนุญาตให้ทั้งวันเป็นไงบ้างได้ทําได้เต็มที่ไหม เช้าดีกว่าช่วงบ่ายไหมด้วยไม่ได้หมายไม่ได้ทำบาปเก้าหน้าไม่เก้าได้ทำต่อนึ่งหรือเปล่าเพราะอะไรเออทำไมไม่ดูปวดเอดเดเ <c oughs> เ อ, เอแต่รู้ว่าปวดนะรู้ว่าปวดมันเกิดแล้วเนะี่ย นั่งมนาะไม่เคยได้นางเลยไม่ได้ผเหยุดคาวันนี้ไม่ใช่จะมีอยู่ครั้งหนึงโยเข้มทาท่าจะแบบไปอย่างเงี้ยไม่รู้ใครเอาผ้าเหลืองมาสบัดใส่หน้าตื่นมาผมฟิวเลยจา้าเอามาไปเยี่ยมเลยแต่โยมไม่ตื่นยอย่าเงี้ยมก็เลยโยนเพราะนั่นแกเอามาโยนไปขหลืองใส่อย่างงี้แต่โยนไม่รั่วมาไปยังไงผมฟิลก็นั่นละ <c oughs> ง่วงดีนะก็โยนผ้าเหลืองใส่ติ๊ง จะให้มันเป็นอย่างนั้นบ่อยมันจะไม่ก้าวหนะ้าแต่เวลานั่งเรารู้ว่าความปวดมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีไม่ของโยมที่มันปวดอยู่นั่เป็นธรรมดาจะไม่เป็นไม่ใช่ความปวดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะนตแต่ว่าแต่ว่าเรา เ, เรานั่งสมมติเราเดินเนี่ยความปวดมีไหม อแล้วก็นวดเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้เอ็กซซอร์ซ่าอยู่ไม่ฉีดสองก็ไมช่วยขึมามันก็นั่นแหะเขพยายามแก้ไขเอาแก้ไขก็ก็พยายามแก้ไขไปเรื่อยๆคนจริงถ้าเราฝึกแก้ไขตัวเองอย่างนี้นะมันมันก็ไม่ค่อยเกิดแรงขนาดนี้แต่ที่เราละเลยมานานละเลยสั่งสมมานานเพราะฉนั้นหวังว่างานเนี้ยจะทําให้กลับมาใจใสตัวเองมากขึ้น ที่แล้วมาไปใส่อย่างอื่นมากเนาะ ใ, ใส่ข้อผัวอะไรต่างๆดึงเราไปเยอะเลยใจเราก็ไปอยู่แล้แ ล, ลืมลืมตัวเองดังนั้นต่อไปไม่ต้องลืมนนะมันดูแลสงสารตัวเองมากๆขึ้นเพราะว่าเซลแต่และอันที่เราได้มานิ้วเนี่ยถ้ามันขาดไปเราไปจ้างให้นักวิทยาศาสตร์ทำเหมือนนิ้วนี้ทุกอย่างอได้ไหมไม่ได้ ในวนนี้จะเป็นกี่กี่ล้านกี่สิบล้านก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอวัย่อทุกส่วนของเรานะมันมีค่าขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้มันเจ็บมันป่วยมันอะไรเนะี่ยมันไม่คุ้มกันเลยเอ่อย่ายไปเรื <c oughs> เอ่อยๆเออมีพระราชาคนหนึ่งเข้าไปถามพรุทธเจ้านะเข้าไปถามพพุทธเจ้าบอกว่าอะไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตทรัพย์สมบัติชื่อเสียง แล้วก็ อ, อุปภรยาสามีพ่อแม่เงินทองทรัพย์สมบัติอะไรมีค่าที่สุดถามแล้วก็ พ, พระราชาก็ยกตัวอย่างอะนี้บอกว่าสิ่งเหล่า น, นี้ไม่มีค่าถ้าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสุขภาพชีวิตที่มีสุขภาพดีนั่นสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่ถ้าหากสุขภาพไม่ดีสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้ามีสุขภาพดีอย่างเดียวเนี่ย น้ำแก้วเดียวก็มีค่ากว่ารัเหรอนะเพราะนั้นสุขภาพมีค่าที่สุดเราหาเงินตลอดชีวิตเนี่ยมันมีค่าเท่ากับการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีในการสุขภาพดีเราก็จะต้องดูแลเอาใจใส่นะสี่ข้อหมายก็เขาให้ได้เพราะนั้นคิดว่าตั้งแต่นี้ไปคงคงจะดูแลตัวเองมากขึ้นนะแต่ไม่ต้องใช้ยาใ ช, ใช้แพทย์ทางเลือกใช้การนวดใช้การช่ยเหลือตัวเองใช้ธรรมะเข้าไป ใช้ธรรมะเข้าไปแก้ไขก็เรียกว่าธรรมโอสดอุดอสดุแต่พรุ่งนี้ก็พยายามอีกทีเนาะจใช้วิธีการยมจุนเพิ่งมาวันนี้ะจะอยู่ได้ถึงวันที่โอ้ยทาไมมาน้อยยังไม่กลับวันจันนั่นแหละอลโอเคก็พยายาม <c oughs> นะสั่งสมบุญไปเรื่อย <c oughs> ๆเดี๋ยวจะมีเวลามากขึ้น ก็นั่นนั่งได้เดินได้นะมันเกิดแล้วถ้ามันไม่เกิดจะเดินได้นั่งได้เลยก็นั่นยังไงเกิดขันติแล้วไงใช่อย่างน้อยก็เกิดขันติแล้วนะก็เกิดไปทีละอย่างอย่างนี้แหละประกอบมันเข้าไปกาะเข้าไปเคยต้มน้ํำไหมเคยใช่ไหมอ๋อตั้งปั้มน้นมันเดือดทันทีเลยหรือเปล่า อ่อยๆทีละนิดไปนะเดือดทีละนิดทนิดไปนะค่อยร้อนไปทีละนิดอันนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าไฟมันดับอ่ะมันก็ไม่เดือดใช่ไหมไม่เดือดเหมือนกันรักษาไฟไว้น้ำมันเดือดเองอันนี้เหมือนกันรักษาความเพียรเอาไว้กิเลสมันถูกเผาเองมันกิเลสมันสุกกิเลสที่มันดิบอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสแต่ถ้าเมื่อไหร่มันสุกเขาเรียกว่าปัญญาอันเดียวกันนั่นแหละกิเลสกับปัญญาไม่ได้ต่างกันแต่ว่าถ้ามันดิบเขาเรียกว่ากิเลส ถ้าไม่สุขเขาเรียกว่าปัญญาอ๋อก็ไม่รู้อน่ยอย่าอย่าถูกต้มก่อนก็เลยพยายามต้มตัวเองเยอะๆแต่ส่วนใหญ่มันถูกคนอื่นต้มถูกพวต้มลูกต้มเพื่อนต้มนัละไม่สุขแล้วก็เลยมันก็สุขไปอีกแบบหนึ่งมันไม่สุขตัวเองแล้วไม่สุขก็ได้สุขเมื่อใดก็สุขวันนั้นน่ะนะยมรุ่ล่าวันนี้เป็นไงดีขึ้นกว่าเมื่อวานไหมดีขึ้นไหมที่ท่านบอกปักกิเลสใกล้กับปัญญาแบบ โยมเคยกินกล้วยสุกไหมกล้วยสุกเคยกินนะเนทุกวันเนาะใช่เขากินกล้วยสุกไม่ใากินกล้วยดิบใช่ไหมใช่ทำไมไม่กินกล้วยดิบล่ะกล้วยดิบกินนะครับก็ปชใช่แต่คนส่วนใหญ่ทํไมไม่กินามันฝาดมันไม่หวานใช่แต่กล้วยสุกกล้วยดิบมันก็คนละลูกเดียวกันนั่นแหละใช่ไห จะเการเวลาไม่เหมือนกันใช่นันคือการเวลาเราถึงาการ ม, ม, มใช่อันนี้แหละคือการปฏิบัติก็คือการเวลาของการบ่มนั่นเองที่เราทําเนี่ยบ่มตัวรู้ที่มันวุฒิวิทย์วิทวิทคิดสารพัดนี่น่ะพอบ่มไปนานเข้าหนักเข้าตัวที่ไอคิดสารพัดคิดนี่แหละมันจะกลายมาเป็นตัวปัญญาแต่อาศัยเวลาการบ่มหน่อยบ่มก็คือความเพียรที่เราทํานี่แหละคือการบ่มนะเพราะฉะนั้นตัวปัญญากิเลศถ้าเราตัด กิเลสทิท้งปัญญาก็ไม่มีเหมือนกับเราตัดกล้วยดิบมันฝาดอย่า ก, กินมันเลยตัดทิง้งคนต้นทิ้งเลยเราจะได้กินกุ้ยสุกไหมไม่ได้กินนะจ๊ะเออเราซื้อปลานะมันขาวอย่า ก, กินเลยปลานะเนี่ยเหม็นขาวโยนทิ้งซะไม่ได้กินปลาปิ้งปลาปลาต้มไหมไม่ได้กินนะพอไปปิ้งไปต้มมันกับความเหม็นความผุนความขาวก็เป็นความหอมของใายไฟใช่ไหมเห็นกิเลสกับปัญญา transform แบบนี้ โยมเบไปไงบ้างวันนี้ดีขึ้นไหมรู้สึกว่าแบบลงพ่อบอกเนาะทำแบบว่าให้สบายก็เดินบ้างยกตัวบาแล้วก็ถ้ามีเจ็บปวดแขนาะว่ายังมีเวลาอีกลานก็เลยบีมันบางแต่ก็กำเสถีตลอดนะแบบว่าไม่ทรมารเป็นทาอาน ถ้าปวดขึ uh ้นมาอยู uh ่ท <huh> ี uh ่แขนเบีช uh ่วกเดินบ้างยกมือบ้างมันเไม่เหมือนไม่ก้าวหน้าคิดอะไรนั่นแหละมันก้าวหน้าแล้วตรงที่ไม่คิดอะไรนั่นแหละเออมันก้าวตรงนั้นแหละนั่นดูนี่เขาเรียกว่ามันมาอยู่ใกล้ตัวเองรู้จักเล่นกับตัวเองเป็นละให้รู้จักเล่นกับตัวเองให้เป็น มาเวลาทำไปก็ง่วงออกมาก็ไปไงโยคะมาทํำนวดหน้านวดตานวดหัวพอทำอย่างนี้สักสาสิบครั้งนะอาจารย์มันจะมีพลังแล้วก็ทํามุ้งนั่นแหละอือทํานี้สักกี่ครั้งก็ทํามุอยนั่นแหละเอามาใช้หมดสิ่งที่อันนี้อะไรพอง่วงมาแล้วก็หนีพอเบื่อมาแก็หนีรู้จักไม่รู้จักเล่นกับตัวเองธัมมะมันก็ไม่เกิดให้สื่อขาอหมายกับตัวเองนวดไปทีนี้นิ้วนวดนิ้วเนี่ยสาิครั้งเวลามันเบื่อขึ้นมานวดนิ้วสีกสามสิบครั้ง มันได้ทั้งสองอย่างเลยนะสติก็ได้สุขภาพก็ได้ถ้าเอาเป็นนั้นเราจะพลิกความเบื่อให้เป็นความขยันขึ้นมาทันทีแต่ปัญหามันคือเอาไม่เป็นเขาเรียกว่าวิชาเพราะฉะนั้นอามาจะทําวันละกี่ชั่วโมงมาไม่เบื่อเลยเพราะมามีเรื่องเล่นสนุกไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้คือปัญญามันเกิดแล้วนั่นนะวันมันต้องทําไปบ่อยๆเพราะฉนั้นจะให้ามาทําวันละสิบสองชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงไม่มีปัญหาเลยสนุกได้ตลอดเพราะเรามี เปล่นตลอดพอนึงดึงหูดึงตาดึงคางเล่นแมงมันจะง่วงได้ไงเพราะเราเราดูกับตัวเองตลอดก็ไม่ง่วงแล้วก็ได้ประโยชน์ร่างกายอีกทำต่อได้มันต่อได้บางครั้งบางครั้งก็แกงง่วงบางเอ้ง่วงเป็นยังไงเราง่วงดูที่มันเป็นยังไงเริ่มต้นยังไงมันตั้งอยู่ยังไงต้องศึกษามันทุกอย่างเออเขาว่าความคิดปรุงแต่งมันไม่ดีลองคิดมันดูว่าที่ต้องปรุงแต่งดูว่าเว็แล้วก็มาวิจัยดูเห็นไหม มันมีตัวศึกษาเยอะแยะเลยแล้วเราก็ฝึกตัวนี้ก็เกิดปัญญาการปฏิบัติธรรมไม่ยากแต่ที่มันยากคือไม่รู้จักวิธีที่จะทําที่จะเล่นกับตัวเองมันยากตรงนั้นเอาจริงเอาจังเกินไปยากเห็นไหมเห็นไหมนั่นดึงเล่นกับตัวเองนั่นนั่นแหละแล้วต่อไปตรงนั้นแหละมันจะไวมันจะไว มาอยากจะให้คนปฏิบัติรู้จักวิธีนี้เพราะฉะนั้นช่วงเช้าเรามีการทําโยคะนิดหน่อยเพื่อที่จะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาอารมณ์กลางวันนะคุณนิชาเราจะเริ่มโยคะนิดหน่อยของมมะเขีอยย อ, อย่างนั้นกะ็ทายืนก็ท่านั่งก็ยางนี้นะอยมสมพรวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเนาะเดีอาบ้ําร้อน <laughs> ไม่เหนื่อยอ อก็รู้พยายามเล่นกับตัวเองให้เป็นอย่าจริงจังปฏิบัติธรรมถ้าจริงจังแล้วมันเบื่อไวมันเครียดไวมันนีไวแต่ถ้าเล่นกับตัวเองเป็นมันไม่มีการเวลาไอ้เวลานิดเดียวหายไปได้แต่ถ้าเล่นกับตัวเองไปเมื่อไหร่มันจะถึงเวลานั้นสักทีเนี่ยเขาเรียกว่าเอาใจกลับมาไม่เป็นเอาใจไปปลูกกับการเวลาไม่มาปลูกกับลูกกบน้ําพราูกกับลูกกำน้ำเวลามันเหนือการเวลาไงการลิโกแต่ถ้าเรายังมีการเวลาอยู่แสดงว่าใจเรายังไม่เข้ามาใกล้ตัวเองเลย อย่าลืมว่าการเวลาเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิด ข, ขึ้นได้เมือ่อลูกกับนามแนบสนิทกันเมื่อไหร่ไม่มีช่องว่างให้เกิดการเวลาเป็นอาการลิโกแต่เมื่อไหร่ลูกกับนามนี่ห่างกันมากเท่าไหร่การเวลาจะยาวขึ้นมากเท่านั้นกายกับใจห่างกันเท่าไหร่นั่นคือมิติของการเวลาเมื่อกายกับใจห่างกันอยากจะให้เวลามันสั้นเข้ามาไม่ยากพอากายกับใจมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่กายกับใจอยู่ด้วยกันอย่างสนิทไม่มีเวลาเป็นอาการลิโก้เราส่วนอยู่ทุกวันใช่ไหมแต่ใช้เป็นไหม ใช้ไม่เว้นสวดทุกวันเลยใช้ไม่เป็นอาการลิโกไม่มีการเวลาไม่มีอย่างไรก็กายกับใจอยู่กันแนบสนิทกายมาสน์กับใจใจมาสน์กับกายเวลาก็เกิดขึ้นไม่ได้ไอความวิตกกังวลความการเวลาก็ไม่มีแต่เมื่อไรความคิดแปอดีใอ น, นาคตเวลาก็กว้างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นสวรรค์นิพพานอยู่ที่เดียวกัน นรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่เดียวกันเมื่อไหร่กายกับใจเข้ามาอยู่ด้วยกันมันได้เรีย้ยงได้เลย อ, น, <ม>อนุกตายกับใจมาอยู่ด้วยกันอย่างแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันนะนิพพานก็ปรากฏละเมื่อไหร่กายกับใจข ย, ยับอยกันนิดห น, นึ่งสวรรค์ก็ปรากฏละห่างกันนิดหนึ่ ง, นงมนุษย์ปรากฏละออกไปยิ่งอายอุูมิปรากฏอ่ะมากขึ้นมากขึ้นอยากจะให้พูนแตงออกไปก็อายอุูมิปรากฏละเมื่อไหร่จะให้สวรรค์นิพพาน เกิดขึ้นเอากายกับใจมาอยู่ใกล้ๆกันเมื่อไรอยู่ใกล้กันนานๆ เ, เป็นเนื้อเดียวกันนิพานก็ปรากฏละ ล, ล, ลืมเวลาไปเลยเป็นอาการิกโกเห็นไหมอันนี้คือของจริงนะไม่ใช่เราเมคขึ้นนะพิสูจน์ได้นะใช่ไหมต้องทำดูที่ไม่เชื่อแล้วเอามาว่าเอ๊ะมันปฏิบัติธรรมมันจะเบื่อได้อย่างไรเพราะอะไรมันไม่มีไม่มีช่องว่างที่จะให้เบื่อเนี่ยแต่ถ้าเมาื่อไหร่นะกายกับใจห่างจากกันนะมันไ ม, ไม่ต้องถามให้มันเบื่อมันมาทันทีเลยละ่ะใช่ไหม มันนั่นมันเป็นสัจจะพระพุทธเจ้าตัดไว้มันมาถูกหมดนล้แต่ว่าเรายังทําไม่ถูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราลงมือศึกษาปฏิบัติกันเพื่อสิ่งนี้เพื่อเพื่อทำความเข้าใจธรรมะนั้นอยู่ที่ว่าความเข้าใจให้ถูกเมื่อเข้าใจถูกเรามันจะเร็วไม่ต้องอาศัยว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีอย่างท่านว่าเอาไว้อ น, นั้นเป็นเรื่องของสมมตินะเจ็บปวดนี้เขาเรียกว่าอาการเวทนาเวทนาถ้าจใจเข้าไปรู้อาการเจ็บปวดนั่นก็เริ่มมีสติขึ้นมาแล้ว ถ้าหากว่าเราไปทนนั้นมื่อมันอันนั้นก็กลายเป็นโมหะล้ะไม่ต้องทนแก้ไขมันเลยแก้ไขให้มันสบายให้ให้ผ่อนคลายธรรมะมันจะเกิดเมื่อเกิดการผ่อนคลายเรียกว่ารีแลกต์แต่ถ้ามันตึงมันกึ้งมันเครียดมันบีบมันคั้นตัวนั้นธรรมะก็หายไปแล้ะทุกข์ก็มาแทนแล้วเราก็ต้องเข้าไปคลายเพราะนั่นตัวนี้พยายามนะทุกอย่างเนี่ยมันศึกษาไปมันจะเข้าใจของมันเอง พระ้นธรรมะบอกกันไม่ได้แต่ต้องเข้าใจเราเองแต่ที่เราบอกนี่คือบอกวิธีการบอกอบายเท่านั้นเองนะแต่ที่มันเป็นนั้นเราก็จะเกิด ข, ข, ขึ้นของมันเองนะครอา้าไม่ชีเป็นยังไงบ้างวันนี้เลืออเล่อยๆเหนื่อยก็พักอออเอามาทุกบอกไม่ชีเป็นอันตรายต่อกรรมาฐานเพรานะอะไรเพราะใครไปใกล้ไม่ได้ก็จะชวนคุยให้ เพราะนั้นถ้าอยากจะให้นั่นต้องหาง่หางาาไว้เฉียวไว้เพราะนั้นเอามาก็มีไว้เียไว้ทดสอบอารมณ์ว่าใครจะเข้มแข็งพอถ้าผ่านไม่ชียได้ก็แสดงว่าเข้มแข็งพอแล้วก็ต้องส่งไปคุณนายอารมณ์อ่อนๆ อ, อ, อยู่ใกล้ไม่ชฉียว <c oughs> <c oughs> ทุกคนสอบคนนั้นครับ <c oughs> นไปอยู่คนเช้าไปอยู่ตรงนั้นสอบอารมณ์ยมดอลล่าเกือบไม่ผ่านเอามาไปไม่ทันเซ็ตแน่ๆเลยเพราะนั้นถพอดีไปทนัน แต่กรณีของคุณขี้เกียจเข้าไปก็เลยโยนผ้าใส่แล้วตื่นขึ้นมากันสบาตผ้าเหลือพุทอย่างนี่อาจารย์จะทำไบวันลังจะโยนน้าร้อนแส่เอาเําไม่ตื่นนะะวันังจะโยนน้าร้อนใส่เอาเขไม่ตื่นนะแต่ไม่เหนื่อนอาจารย์นะกระดุมมาผมฟิวเลยแต่ไม่กลัวผีแสดงว่าไม่กล้วแลดวไม่กลัว มีอะไรสงสัยถามไหมพี่สุจะถามถรันนะอ่ามีอะไรมมีอะไรสงสัยไหมถามก็ว่ามันเป็นอะไรก็สงสัยจะเป็นอเิไปีตวิจารวิปัสสนนี่วิปัสสนก็คือวิปัสสนุก็บอกแล้วคือคิดเกินความเป็นจริงไงนะ อันไหนก็ตามที่เกิดมันเกิดมันมีความเป็นจริงอยู่นิดเดียวเนะี่ยแต่เราขายายมันเยอะอนะันนี้ก็มันจะเป็นได้แต่วิพัสนนู ย, ยังไม่เกิดหรอกระดับนี้นะอีกนานอันนี้เขาเรียกว่าวงแต่งพิวรพิโตวิจารณ์ธรรมาดาพิพัพสนนูจะเกิดก็ต่อเมื่อเห็นรูปนั้นชัดๆแล้วนั่นนะมันถึงจะเกิดก็ไม่เป็นไรทิ้งมันไปใช่ยังไปติดใจมันนะนทิ้งไปก็วันนี้เราได้รับต้อนรับสมาชิกใหม่อีกสองสามท่าน คุณต้อมผู้มาจากเมืองไทยนี่อันนี้เป็นผู้ที่ได้ผ่านเราปฏิบัติกาจะมาอยู่เมืองไทยออกจากเมือมงไทยอยู่ยย <laughs> แต่เข้าปฏิบัติกับเราหลายครั้งละกับแฟนคุณตุ้มข้างหลังน่นอไอนะไทำงานอยู่ที่ฮาวายอาดูกระต้มคู่พระคูนางันคุณมาริสาอยู่เทนซี่ีปฏิบัติมาหลายงานนะมาิสาสมาชิกใหม่ก็ อย่างไรอ๋ออาจารย์มงคลนี่ไม่ต้องไม่รู้จักเหรอเรื่องรู้จักกันทุกคนแล้วเนี่ยอันนี้ท่านอาจารย์มงคลนะก็อยู่ที่เซนลุยมาเมื่อหลายเดือนแล้วก็มาส่งไปที่เซนลุยนนี่ก็มาจาริตที่ที่นี่ก็ก่อนที่มาที่นี่ก็จาริตที่อยู่ที่เซนลุยอยู่แล้วเจ็ดวันพอเสษที่นึงก็มาช่วยต่อที่นี่ พาะเจ้าที่เซนหลุ ย, ลยแต่ความจริงท้าเราก็นิมนต์มาในพอดีพระที่เซนหลุยไม่ครบแล้วก็ส่งท่านไปช่วยที่นู่นก็พอดีว่าเราได้นิมนต์พระมาะอีกลูปพอดีคุณต้อมเดินเรื่องนิมนต์พระให้เราหลวงพ่อทังสุขตอนนี้มาถึงแล้วที่วัดเรามาถึงแล้วก็ปีนี้มาต้องการพระสองลูปจะได้ยงไงน่าเอาไปเอามาเออมันธรรมะแจศัลทให้มาได้อีก <c oughs> องคหนึ่งอยู่ที่เซนหลุยก็พระวัดญานรังสีท่านจะมาอยู่ ได้มากลับไปได้หลวงพ่อต้องสุขมาอยู่วัดนี้ได้วัดหลวงก็ปฏิบัติธรรมไว้เราไม่ต้องการอะไรมันจะเป็นไปเองไม่ยากหรอกปฏิบัติไว้เยอะๆอันนั้นเรียกว่าธรรมะแจสัลยดีกว่ากิเลสแจศัลยกิเลสแจศัลยนี่ยากอะบางทีได้ไม่ได้อีกแต่หากได้มาแล้วไม่ดีแต่ธรรมะแจสัลย์นี่ได้ไม่ยากได้มาแล้วก็ดีด้วยนะปฏิบัติธรรมมันก็เลยได้ ส, สะดวกทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราพยายามทำแต่ปฏิบัติแล้วถ้าทำไม่ถูกมันก็ไม่จะสันไม่ไม่จะันเหมือนกันนะทำให้มันถูกทำให้มันถูกจจสันดีเอาเนาะสอบปรุงกันเสร็จแล้วเรากกลับแลับ